ตัวตามสายเชือกซึ่งโรยลงมาจากช่องโหวอันเกิดจากการระเบิดให้เป็นช่องนั้นคืออนุชาพอเท้าแตะถึงพื้นก็เพ่นก็ไปหาน้องผู้นั่งพนมมือคุกเข่าอยู่ฉุดกระชากขึ้นยืนแล้วสวมกอดไว้แน่นพร้อมกับเสียงร้องกระหืดกระหอบว่าน้อยทเาไปยังไงมั่งเนี่ยดารินยังไม่อาจตอบคำใดไ ด, ได้นอกจากใบหน้าอันซีดเผือด กอดพี่ชายกลางไว้แน่นเช่นกันคนที่สองคือเชษฐาซึ่งพรวดเข้ามาประชิด ต, ตัวรวมทั้งชยันและหนานอินทั้งสี่คนเข้ามาห้อมล้อมจับตัวหล่อนไว้อย่างตื่นเต้นไปติใจขีดสุดและสำ่มสำเนียงแห่งคำถามคำทักทายนั้นทำให้หล่อนไม่อาจจะตอบอะไรได้ถูกกลุ่มของพี่ชายโรยตัวตามสายเชือดลงมายังสถานที่นั้นสี่คนส่วนที่เหลือนอกนั้นชะโงกหน้ารอคอยกันอยู่ยังตาแหน่งช่องโวด้านบน เมื่อพอจะได้สติกลับคืนมาอีกครั้งดารินผลักออกจากอ้อมกอดของพี่ชายกลางโผเข้าไปกอดซบนิ่งอยู่กับพี่ชายใหญ่แล้วต่อมาก็หันมากอดชายยันและจับแขนหนานอินบีบแน่นน้ำตาคลอไปด้วยความโศมนัดกล่าวขึ้นกึ่งหัวเราะกึ่งร้องไห้ฉันฉันไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างขอให้ทุกคนสบายใจได้ นี่มันหายไปไหนแล้วล่ะไอผีดิบบันไรอะ่ะเชษฐาถามเสียงเร็วปรือเพราะไม่อาจมองเห็นเหตุการณ์จากช่องที่เจาะโบวด้านบนได้ถนัดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนคำตอบดารินได้แต่ชี้มือไปทางรอยไีกเกรียมดำที่ห่างออกไปด้านหน้านอกเหนือจากซากมัมมี่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งหลายที่ล้มระเกะระกะอยู่ราวกระท h o ไม้นันอินอนุชาและชัยยันเห็นเข้าไปตรวจ ด, ดูบริเวณนั้น แล้วต่างก็พังงะถอยออกมาด้วยไอร้อนแรงที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้โหอะไรกันนี่ยังก็ใครมาพ่นไฟไว้ตรงนี้ล่ะชยันร้องขึ้นนันอีน่ะเป็นคนโยนซากงูแห้งสองตัวขดเป็นวงกลมลงมาให้น้อยตอนที่เรามองลงมาเห็นพวกมันกาลังไล่ต้อนน้อยอยู่แล้วแล้วน้อยจัด ก, การตามสั่งหรือเปล่าล่ะชิดถาเขย่าตัวถาม น้องสาวคนเล็กกลืนอะไรบางชนิดลงลำคออย่างยากเย็นพยักหน้าหล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกเล่าอะไรให้กลุ่มพี่ๆได้ทราบในสิ่งที่ตนเองรู้เห็นแล ะ, ะเผชิญได้นอกจากเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้นตอนนั้นอน้อยได้ยินเสียงร้องสั่งให้เหวี่ยงอะไรกลมๆนั่นเข้าไปน้อยก็ทำตามแล้วแล้วไอ้ผีดิบมันไรมันก็ถูกสิ่งนั้นกลายเป็นบ่วงไฟไปรัดเผาผลาญ เหลือเป็นเท่าดำอยู่น่ะหล่อนบอกได้แค่นั้นเองนี่ตอนที่พี่ลงมาถึงอ่ะเห็นน้อยนั่งเหมือนจะไหวไรอยู่อ่ะอนุชาถามเร็วปรือน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันแหละพี่กลางมันมันึงมึ น, ง, มน ง, งงไปหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันยิ่งกว่าฝันอ่ะขาดเสียงของหล่อนบริเวณโพรงที่ฝ่ายของพี่ชายโรยตัวลงมาก็มีอาการไหวลั่นคลุดครุด หิงงอกขิ้งย้อยบริเวณรอบตัวเริ่มปริราวเกิดเป็นฝุน่นหนานอินร้องบอกมาละล่ําละลักว่านายนายแผ่นดินในโพรงนี่มันทําท่าจะสุดทล่มลงไปแล้วรีบขึ้นกันไปเดี๋ยวนี้เถอะไม่ต้องห่วงอะไรอีกอะไอ้มันไรไม่มีวันได้ผูดได้เกิดหรือหวนกลับมาเก่ออิจิริสอะไรกับพวกเราได้อีกแล้วนายหญิงจัดการมาได้สําเร็จราบค่าบที่สุดละด้วยนาคบาศเชิดถากระชาติแห น, น้องสาวปลิวมายังตําแหน่งที่สายเชือกโรยทิ้งไว้เป็นทางขึ้นลง ซึ่งมีขยินในชวนและพวกลูกหาบางส่วนห้อมล้อมกันอยู่เบื้องบนเร้วไต่เชือกขึ้นไปบนข้างบนก่อนเลยน้อยแล้วเขาก็ร้องบอกให้พวกที่รออยู่ด้านบนช่วยชักสาวขึ้นไปน้องสาวผู้สาบสูญซึ่งบัดนี้เพิ่งตามมาพบและได้ช่วยเหลือกันอย่างทันการที่สุดในนาทีวิกฤตถูกส่งตัวขึ้นไปก่อนท่ามกลางแผ่นพื้นดินข้างล่างที่มีอาการไหวโคลงอยู่เบาๆเสียงพวกที่รอคอยอยู่ด้านบน เออะร้องทักไทยมาอย่างดีใจเมื่อเห็นนายหญิงถนัดตาและช่วยกันสาวชักรอกร่างของหลอนขึ้นไปโดยเร็วดาริงจึงเพิ่มสังเกตเหินนะักบัดนั้นว่าบริเวณ น, นั้นทะลุโวเป็นช่องกว้างประมาณสมฟุตด้วยอำนาจระเบิดขนาดเบาบางเพียงเฉพาะเพื่อเปิดให้เป็นช่องทางลงมาพื้นบริเวณ น, นั้นทั้งหมดมีลักษณะเป็นหินผลึกโปร่งตาบางแห่งก็เป็นฝ้าพรา่าคุณ แต่บางแห่งก็ขาวใสพอที่จะมองทะลุลงมาเห็นภาพเบื้องล่างได้ในบางส่วนพักพวกคงจะไต่ทางขึ้นมาอยู่บนหลังคาผลึกนั่นและเห็นหล่อนก่อนแล้วจึงหาทางระเบิดเป็นช่องลงมาพร้อมกระดมยิงช่วยเหลือลงมาในชุดแรกก่อนที่อุ้ง ม, มือของไอ้เล่าผีนรกจะทันคว้าตัวหล่อนได้มันเป็นเหตุการณ์ที่ช่วงชิงเวลากันเพียงแค่เสี้ยวของวินาทีเท่านั้น เมื่อหล่อนปีนปากทางขึ้นไปถึงก็ถูกรับตัวโดยนายชวนและขยินดึงปลิวพ้นช่องขึ้นไปนอนหมอบกระแตอยู่ต่อมาชายันเป็นคนที่สองที่ไต่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเชิดาอนุชานั้นอินครูพรานผู้เท่าโขนเชือกขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายก่อนบริเวณที่ทุกคนยืนกันอยู่นั้นจะแยกออกเป็นร่องริว้วเชิดาสั่งการลั่นยังไม่ต้องพูดอะไรกันทั้งนั้น ทั้งหมดลงจากเนินเขาเนี่ยเร็วที่สุดแผ่นดินข้างล่างมันกําลังจะไหวแล้วแล้วันนี้ก็กําลังจะถล่มลงด้วยเร็วเร็ ว, เ ร, วเร็วเขา้าทุกคนที่โผล่กลับขึ้นมาอย่างพื้นด้านบนอันมีลักษณะเป็นหินผลึกเหมือนบุไว้ด้วยเพดานแก้วต่างพากันออกวิ่งให้พ้นจากบริเวณพื้นที่ลักษณะท้ายหลังเต่าที่นูนขึ้นมานั้นตรงไปยังเชิงของเขาป่าด้านล่างอันมองเห็นพวกลูกหาบอีกส่วนหนึ่ง รอคอยอยู่บริเวณนั้นโดยเร็วเฉทฐาและอนุชาหิวปีกน้องสาวคนเล็กผู้อยู่ในภาวะอิดโรยอ่อนเปรี้ยนำหน้าลงไปก่อนทันทีอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาขีดสุดทั้งคณะที่ติดตามมากู้ชีวิตดารินเอาไว้ในนาทีวิกฤตได้พากันไต่ทางอย่างเร่งรีบพระหนีลงมาจากบริเวณด้านบนอันมีลักษณะเหมือนเนินหลังเตา่า ของต่างยอดขุนเขาอันกว้างใหญ่นั้นทันทีระหว่างที่พากันลนลานวิ่งหนีลงมานั้นอาการสั่นสะเทือนของพื้นหินและกลุ่มควันคงปรากฏขึ้นอยู่ในสภาพที่เริ่มจะทะวีความรุนแรงขึ้นทุกทีลักษณะของมันคล้ายๆล้ภูเขาไฟกําลังจะปะทุ ข, ขึ้นหรือมิฉะนั้นก็เกิดการเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างอันต่ําลงไปใต้เนินเขานั้นในสภาพแผ่นดินไหวด้านล่าง ห่างลงไปประมาณสองสามร้อยเมตรกลุ่มลูกหาดอีกส่วนหนึ่งพร้อมสัมภาระส่วนใหญ่กองรอคอยอยู่กำลังพากันเต้นย้อยๆโบกมือเรียกเป็นเชิงเร่งเราให้ทุกคนเร่งเวลาลงมาโดยเร็วมองเห็นอยู่ลิบๆพร้อมกันเสียงแผดร้องก้องของช้างใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งรวมกลุ่มอยู่กับลูกหาด4ีห้าคนเหล่านั้นด้วยซึ่งแม้จะมองเห็นในระยะไกล ดาริมก็จําได้ดีที่สุดว่ามันคือเจ้าด้วนของหล่อนนั่นเองมันร่วมขบวนอยู่กับคณะของพี่ชายในขณะนี้ด้วยแต่รออยู่ข้างล่างเจ้าด้วนหลอนร้องตะโกนแหลมทักทายลงไปก่อนอย่างดีใจสุดขีดดูเหมือนจะแสดงอาการตื่นเต้นยินดีซะยิ่งกว่ามองเห็นพรรคพวกคนอื่นเสียอีกเหยื่อร้องแกรนชูงวงกวัดแกงเหมือนจะทักทาย เรียกร้องให้ออกค้นจากบริเวณนั้นอย่างเร็วที่สุดอย่างฉุกและหุกแข่งกมรณะแต่ก็ดําเนินไปอย่างเต็มไปด้วยสติใคล้ควรอันรอบทอบของพรานคลู่ทุเข้าตลอดจนเชิฐาและอนุชาทั้งหมดพากันเลาะลัดไต่เนินกันลงมาด้วยความคล่องแคล่วว่องไวโดยพยายามลัดตัดทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทำตามความรู้สึกชัดเจน ว่าเนินของภูเขาอันมีลักษณะเหมือนกระทาที่คว่มเอาก้นขึ้นนั้นปรากฏเป็นรอยปริแยกอยู่ทั่วไปแต่ก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงเกินไปนะดาริมเกิดพลักงขึ้นครั้งในความอิดโรยป้อแป้แต่เดิมเพราะระหนักดีว่าหากขึงชักช้าตัวหลอนเองและพรรคพวกทุกคนอาจถูกทรณีสูบลงไปพร้อมกับผิวของเนินเขาอันกาลังทาท่าจะถล่มสุดลงไปในบัดนี้ เมื่อใดก็ได้ประกอบกับการชุดลากข้่ดึงจากพี่ชายทั้งสองและเพื่อนซึ่งขนาบมาอย่างใกล้ชิดระยะเวลาระหว่างนี้ไม่มีใครมีโอกาสที่จะพูดจา ก, กันเรื่องอื่นใดอีกเลยนอกจากคอยร้องบอกเตือนกันให้คอยหลีกลบจากบริเวณที่ปริราวแตกระแหงอยู่ทั่วไปขณะที่เล่นกระเจิงกันลงุงเพราะห่างจากส่วนยอดของเนินหลังเก่า ที่กลุ่มของเจ้าาปีนขึ้นไประเบิดเป็นช่องทางและพบดาริงอยู่ใต้โพรงนั้นเพียงห7เจดสิเมตรเท่านั้นตำแหน่งนั้นก็สุดถล่มหววลงไปกรุงควันสีเทาพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนราวกับป่องโรงสีแต่ก็เป็นเพียงเฉพาะม่านควันเท่านั้นไม่มีประกายของลูกไฟหรือเท่าลาว่าพ่นตามขึ้นมาด้วยนายนาย ไอหลังคาใสาๆที่เราปีนขึ้นไปเห็นนายหญิงอยู่ข้างล่างตะ ก, กี้นะ่ะมันพังลงไปแล้วเสียงนั่นอินตะโกลบอกลัน่นเพราะแกเล่นเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่ทางด้านหลังของทุกคนเออมันพางลงตรงไหนมันพังไปสําคัญอย่ามาพังถล่มเอาเราตรงที่เรากําลังเล่นกันอยู่ก็แล้วกันเชตาตอบขณะที่ประคองน้องสาววิง่งหัวซุกหัวซุน โคดหินสองสามแห่งที่คนคณะนั้นแล่นผ่านเริ่มหักล้มฟาดลงมาแตกระจายอยู่กับพื้นเดี๋ยวตำแหน่งนั้นเดี๋ยวตำแหน่งนี้ใกล้ๆทางผ่านที่ทั้งคณะกำลังวิ่งฟาวุดวิดจะฟาดลงมาทับแต่ตังก็หลบหลีกผ่านไปได้อย่างจวนเจียนจวนเจียนเป็นที่หวาดเสียวยิกชัยันโดนโเศษหินที่กระดอนขึ้นมาจากแท่งใหญ่ซึ่งหักลม้มกระทบกับแผนหลังก้อนเบาๆขนาดกาปัน้น มันไม่ถึงกับรุนแรงนะักแต่ก็ทำให้ถึงกับเซศสีสะปากแทบจะหน้าขมำลงไปโดยทิศทางที่เอียงลาด45องศานั้นถ้ายินเองก็ร้องจ้าเมื่อสะเก็ดฝุ่นปลิวเข้ามาเต็มหน้าและสองคนกับนายชวนก็เล่นตะลิดนำหน้าลงไปก่อนโดยไม่ต้องรอจับหมูกันอยู่เพราะอนุชาร้องตะโกนสั่งพร้อมกํยกเท้าถีบหลังขณะที่ทั้งสองยังละลา ล, ล, ล, ละลังอยู่ ไม่ต้องรอไปก่อนเร็วเดี๋ยวธรณีสู่พ่อมึงลงนระกรกอดีตแฟนชตวาดลั่นซึ่งกระยินและนายชวนกับลูกหาอีกสองคนก็ห่อแนบล้มลุกคลุกครานรวมทั้งกริ่งรุนลงไปจากบริเวณอันตรายนั้นโดยไม่ต้องมาคอยผวาผวังอยู่นั้นอินสกุมาทางเบื้องหลังซึ่งทั้งเชษฐาและอนุชากระหนักดีว่วากลบใดก็ตาม ยังมีครูพานคุมอยู่เบื้องหลังคอยกำหนดทิศทางให้อยู่แบบนี้ก็ย่อมจะวางใจได้ว่าจะไม่มีวันเกิดอันตรายร้ายแรงใดๆขึ้นแม้การจะดูว่าหน้าหวาดเสียวหน้าสะพึงกลัวเพียงใดมันไม่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันบังเอิญประจวบเหมาะแต่ก็น่าจะเป็นการที่เกิดขึ้นจากแรงอาถรรพ์ของอะไรชนิดหนึ่งเป็นอาถรรพ์ที่จะมาลบล้างไสยเวทอาถรรพ์เดิม ของเจ้าผีร้ายมันใครให้สูญสลายหมดสิ้นไปเสียทีที่สุดของการเตลิดหนีภัยจากภูเขารูปหลังเต่าที่กำลังปริราวและมีอาการสุดลงไปนั้นทั้งคณะก็ลงมาถึงยังบริเวณพื้นราบที่พักพวกอีกส่วนหนึ่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วโดยสวัสดีภาพไหนจะะลอกปอกเปิกได้เลือด ก, กันบ้างพอซิซ ตลอดจนรอยฟกช้ำดำเขียวคนละเล็กละน้อยพอลงมาถึงตำแหน่งที่ปลอดภยัยทุกคนก็สุดหวบลงไปนั่งหอบหันกลับขึ้นไปทางยอดเนินประหลาดลูกนั้นอีกครั้งส่วนบนของมันบัดนี้สุดหวบลงมาแล้วผิดรูปร่างไปจากลักษณะกระทะควา่าอันเคยเห็นอยู่เดิมกลุ่มควันสีเทาลอยกลุ่นมัวมนไปหมด มันพุ่งขึ้นมาจากยอดเนินนั้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนและตามแนวแยกแตกระแหงทุกแห่งซึ่งปรากฏหินรอยร้าวทั่วไปหมดตลอดทั้งเนินลูกหาบที่รอยอยู่ด้านล่างและกระโดดโลดเต้นร้องเร่งอยู่ในขณะนี้พลูกันเข้ามารับส่งเสียงโวยวายพูดกันฟังไม่ได้สับและกลบด้วยเสียงผู้จาทักทายแสดงความปิติยินดีขีดสุดของพวกนั้น คือเสียงโกนจานาดแหลมยาวของเจ้าด้วนมันเดินดุมดุมตรงมาที่ดารินผู้กำลังสุดลงไปหมอบหอบอยู่กับพื้นทันทีพอมาถึงก็ใช้งวงสูดดมและรัดรอบตัวหล่อนไว้เบาๆดารินพลิกกายขึ้นกอดงวงนั้นไวแน่นเอาแก้มแนบไว้ด้วนสามวันเต็มเต็มเชนะที่เจ้าท่อทิ้งฉันไปอะหล่อนละล่ำละละักตัดเพอเจ้าด้วนตอบโดย วาจากลัวนไม่ได้นอกจากจะแสดงอาการยินดีที่ได้มีโอกาสพบเห็นนายหญิงของมันอีกครั้งในสภาพที่ยังมีอาการครบ 3. ามันพยายามจะใช้งูรัดรอบตัวของหล่อนแล้วยกขึ้นสูงเหมือนจะเอาขึ้นไปไว้บนคอของมันแต่แล้วก็บรรจงวางหล่อนลงต่อพื้นโดยเดียวเมื่อนานอินตว่าห้างไว้โดยยังไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับนายหญิงก่อนในขณะนี้ เชิดขาและอนุชาสองพี่น้องหันกลับไปเพ่งเนินใหญ่หลังเต่าที่ฝ่ายตนปีนป่ายขึ้นไปนั้นด้วยอาการตลึมสภาพนั้นจะกินแดนติดต่อไปในรัศมีกว้างไกลอีกเพียงไหนและจะมีอาการอันตรายเกิดขึ้นมากกว่านี้หรือไม่เป็นต้นว่าจะมีเท่าของราว่าพ่นตามขึ้นมาซึ่งนั่นหมายความว่าภูเขาใต้ดินเบื้องล่างได้ระเบิดขึ้นแล้วและไม่มีทางที่ทุกคน การรวมกลุ่มกันอยู่ในขณะ น, นี้จะหนีรอดไปได้ปรากฏว่านอกจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาแล้วไม่มีร่องรอยของมหาันตะภัยใดๆที่จะเป็นผลสืบเนื่องติดตามมาอีกเนินสุดยอดเพียงแต่ถล่มลงมาเท่านั้นเสียงที่ลั่นคลื่นครันอยู่ใต้ภูเขาก็ค่อยๆแผวจางลงจางลงเป็นลำดับกระทั่งในที่สุด ก็เงียบสงบไปภูมิประเทศของเนินเขาลูกนั้นอันเป็นยอดสูงสุดของทิวที่ติดต่อกันมาเป็นเทือกและเนินนั้นอยู่ใจกลางได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเห็นคันตาไม่เหลือร่องรอยเดิมใดใดอีกจากสภาพที่แลดูเหมือนกระทะที่คว่ำเอาก้นขึ้นมาหรือรอยนูนแบบหลังเต่านั้นบักนี้ได้มีระดับต่าลงมาจากเดิม แต่ก็ยังไม่ถึงกระสุดลงมาสู่แนวราบเป็นลักษณะที่มียอดบุกยุบเปลี่ยนทรงลงไปเท่านั้นทุกคนระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกที่ไม่ต้องสมสาพลพระหนีจากบริเวณนั้นออกไปอีกและความสนใจทั้งหมดก็พุ่งไปจับอยู่ที่น้องสาวคนเล็กของคณะที่เพิ่งจะช่วยกันขึ้นมาได้ซึ่งบัดนี้นั่งครึ่งนอนเหยียดยาว เอาหลังพิงโขดหินก้อนหนึ่งตรังวงล้อมหลับตาลงอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงไปอีกครั้งเชษฐาชัยยันเข้ามาตรวจดูอาการในทันทีโดยยังไม่ซักถามอื่นใดก่อนทั้งสิน้นภายหลังให้การปฐมพยาบาลให้พักสงบนิ่งๆอยู่ประมาณสิบนาทีระหว่างการเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดดารินวราฤทธิ์ก็ถอนใจเฮือกขึ้นพร้อมกับลืมตา มองหน้าพักพวกที่รายล้อมรอบตัวอยู่ในขณะนี้ไปทีละคนเหมือนจะดูให้แน่แน่ว่าเป็นพักพวกของหลอนใช่จริงหรือเปล่าและมีจำนวนกันครบท่วนหรือไม่สภาพของหลอนในขณะนี้ยังพูดอะไรไม่ออกจะนอนพักให้หลับซะก่อนไหมยังไม่ต้องกังวลอะไรกับอะไรทั้งนั้นแหละน้อยและสำหรับวันนี้เราก็จะยังไม่เคลื่อนย้ายกันไปไหน ก็จะยึดตรงนี้แหละเป็นที่พักพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นเบาๆได้น้ำเสียงปราณีและเข้าใจในความรู้สึกภายในของหล่อนดีที่สุดขณะที่กล่าวก็เอื้อมมือมาลูบที่ศีรษะดารินไม่ตอบแต่ชี้มือไปทางยอดเนินที่ยังมีควันลอยกลุ่นอยู่นั้นเชิยายิ้มให้อย่างปลอบใจไม่ต้องกลัวหรอกน้อยมันจะไม่ถลม่มทลายลงมามากกว่านี้อีกแล้วละ่ะ เราไม่ต้องเร่งรีบหนีไปไหนแล้วที่นี่ก็ปลอดภัยเพียงพอพระยังติดอยู่กับค อ, อน้อยหรือเปล่าล่ะยังอยู่ไหมน้องสาวคนเล็กเอามือขึ้นลูบสวง อ, อกแล้วกำตรงตำแหน่งนั้นไว้แน่นพยักหน้าล ง, งดีมากดีมากวิเศษสุดด้วยอำนาจของพระพุทธคุณและพระอาราหารันตเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแทๆ้ๆล่ะที่อนุบาลพิทักษรักษาน้ยเอาไว้ได้ จนกระทั่งพวกพี่ไปพบเอาในวินาทีสุดท้ายว่าแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นไงมั่งก็เกือบจะปกติดีหมดทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะพี่ใหญ่น้อยดีใจนึกว่าเราจะไม่ได้พบหน้ากันอีกแล้วละ่ะหลอนกล่าวขึ้นเสียงแหบพร่าน้ำตาซึมออกมาด้วยความปิติใจเหลือที่จะกล่าวต้องพบสิถึงยังไงก็ต้องตามกันพบจนได้แหละแล้วก็เชื่อมั่นด้วย ว่าน้อยจะต้องไม่เป็นอะไรถ้าหากพระยังไม่หลุดจากคอพี่ชายกลางตบมาที่ไหล่ของหล่อนกล่าวขึ้นด้วยเสียงห้าวชัดเจนของเขาช ย, ยันเอามือของหล่อนไปบีบกุมไว้มั่นทุกคนอยู่ในสภาพปลุกปลอบให้กำลังใจเต็มที่สามวันครึ่งนะที่พวกเราบากบั่นติดตามเธอมาอย่างแทบไม่เป็นอันกินันนอน แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำได้สำเร็จผลงดงามที่สุดในกบัดนี้ขอรู้ด้วยว่ามันไรมันพินาศอย่างเด็ดขาดละด้วยน้ำมือของเธอเองต่อไปนี้มันจะไม่มีโอกาสติดตามรังควานพวกเราได้อีกแล้วละ่ะดารินร้องขอนามเ บ, บาๆจากเชิฐาเชิดาส่งกระติดบันดีไปให้พร้อมกันน้ำน้องสาวคนเล็กของคณะ ที่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ขีดสุดรับไปดื่มทั้งสองอย่างยกมือขึ้นกุมคำมับและสะบัดหน้าอยู่ไปมาเหมือนจะทบทวนความเป็นไปและเป็นมาในที่สุดก็เงยขึ้นมองไปยังกลุ่มพักพวกที่รายล้อมรอบตัวอีกครั้งฮนึงมีคำถามมากเหลือเกินแลวไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถูกอะหล่อนพึมพำออกมาอืมทั้งฝ่ายพี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็เลยอยากให้เธอนอนพักสงบสติอารมณ์ซะก่อนพี่รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังสับสนจับต้นชั้นปลายไม่ถูกก็ท่าเท่ากับฝ่ายพี่ก็อยากจะรู้นับตั้งแต่วินาทีแรกนี่ว่าเธอพลัดพรากจากพวกเราไปในคืนนั้นเป็นไปนแบบไหนยังไงดารินสำรวจไปยังทุกคนอีกครั้งรวมทั้งพวกลูกหาบนี่พวกเรายังอยู่กันครบทุกคนแล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีใครได้รับอันตรายเลยใช่ไหมคะ ครบหมดเชี่าตอบหนักแน่นแล้วเข้าของสัมภาระรวมไปทั้งของส่วนตัวของน้อยโดยเฉพาะไรเฟิลกับวิทยุลหละไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีอะไรตกหล่นหายไปเลยแม้แต่สักอย่างนึงอนุชาตอบพร้อมกระส่งไรเฟิลเวทอบีจุด300์แล้ววิทยุมือถือประจำตัวไปให้น้องสาวพอหลอนมองเห็นก็หลับตาถอนใจอีกครั้ง พ, พึมพำอะไราฟังไม่ได้สับในลําคอต่อมาจึงถามด้วยเสียงแผ่วเบาอย่างอีกโรวยว่าและนี่ทุกคนตามน้อยมาได้ยังไงล่ะคะเนี่ยตอนนี้ขอให้น้อยเป็นฝ่ายถามก่อนแล้วกันนะเชิถามพยักหน้าไปทางเจ้าด้วนซึ่งยืนโย่แกว่งกายอยู่ช้าๆไม่ห่างออกไปข้างหน้าหลอนนักมันอยากจะเข้ามาใกล้นายนหญิงของมันให้มากที่สุดแต่น้นอินสิสั่งให้ถอยห่างออกไปก่อน แล้วมันก็ปฏิบัติตามอย่างแสนรู้มักคุเทศนำทางในการติดตามค้นหาน้อยก็นั่นไงยืนอยู่นะ่ะอนุชาบุ้ยปากไปทางช้างปา่าคู่บารามีของหล่อมนี่ถ้าไม่มีมันนำทางอย่างแม่นยำและถูกต้องที่สุดพวกเราทั้งหมดก็ไม่สามารถตามน้อยได้หรอกหรือไม่งั้นก็อาจจะช้าเกินไปเจ้าด้วยนาะมันรู้นะว่าน้อยอยู่ที่ไหนแล้วก็เร่งนาเรามาตลอดเลย แม้กระทั่งตำแหน่งสำคัญที่สุดที่เราไปพบน้อยเข้าในนาทีวิกฤตสุดยอดก็โดยการชี้นําของมันนั่นแหละเราแกะรอยน้อยมาทุกระยะพบหลักฐานการบ่ายหน้าของน้อยมาโดยตลอดในช่วงสุดท้ายเท่านั้นแหละที่เราเร่งเวลาและตัดทางมาดักน้อยอีกทางหนึง่งเรามองเห็นน้อยแวบๆอยู่ภายใต้โตรงเขาด้านล่างจากหินใสเหมือนผลึกในขณะที่พวกเราไปตรวจหาทางลงอยู่ด้านบน แลในที่สุดก็เลยใช้ระเบิดเปิดทางลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่สําเร็จลงได้ด้วยดีก็พระเจ้าด้วนตัวเดียวเท่านั้นทลํามพางตัวพี่เองพี่ใหญ่แล้วก็ลุงอินหมดปัญญาไปแล้วเมื่อคืนนี้เราเดินสาวรอยน้อยมาตลอดครึ่งคืนโดยไม่มีการหยุดพักเลยเพราะทำมัวแต่พักก็ไม่มีวันตามทันไอทางด้านพี่มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนักหรอกแต่หายไปเราก็ออกตามในทันที โดยได้เจ้าด้วนะเป็นตัวนําทางสําคัญทําให้ตามพบได้เร็วขึ้นแล้วก็ทันการแต่ทางด้านน้อยสิมันมีพฤติการที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาลึกลับมากจากหลักฐานที่เราพบมาทุกระยะใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ลึกลับลึกลับจนยากที่น้อยจะอธิบายได้แต่ก็จะพยายามอธิบายค่ะหล่อนกล้มกลืนอะไรบางอย่างลงคอ เข้าใจดีในข้อสงสัยคลางแคลงใจของบรรดาพี่ๆและพักพวกทั้งหลายแต่ขอให้น้อยได้มีโอกาสได้หลับสักตื่นได้ไหมคะตอนนี้มันสับสนมึนงงไปหมดละอ่าๆตกลงพี่อนุญาตให้น้อยนอนพักสก่อนปรับระดับจิตใจเรียกสติกลับคืนมาให้สมบูรณ์สก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันทีหลังตอนนี้เราหมดปัญหาสาคัญไปอีกปล่นึงแล้ว คือตามตัวน้อยกลับคืนมาได้ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดไ่พ่อมดหมอผีมันไตรมันก็พินาศลงอย่างเฉียบขาดแน่นอนละในครั้งนี้อะนอนพักซะเมื่อตื่นขึ้นภาวะจิตใจและความทรงจำของน้อยก็จะกลับคืนมาเองละพี่ชายใหญ่รูปศีรษะอีกครั้งอนุชาและชัยยันก็จัดการปูผ้าใบาทำเป็นที่นอนให้หลอนในทันทีในขณะที่นานอินก็สั่งให้พวกลูกหาทั้งหลาย เริ่มวางปางพักชั่วคราวอันแปลว่าการเดินทางสำหรับวันนี้จะสิ้นสุดลงตรงตำแหน่งนี้ก่อนโดยยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนทั้งสิ้นดารินเอ็งกายลงอย่างอ่อนเปรียหล่อนเรียกชายันให้เข้ามาใกล้แล้วบอกให้ค้นหีบเครื่องเวชพันธ์พร้อมทั้งกำหนดสั่งยาฉีดและปริมาณพลางยื่นแขนไปให้ ชายันนั้นพอจะทําหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลได้อย่างคล่องแคล่วพอควรจากการที่เดินป่าร่วมกับคณะมกรเพียงแต่รับคําสั่งว่าให้ใช้ยารหัสใดและปริมาณแค่ไหนเท่านั้นเขาก็จะสามารถทําหน้าที่แทนหมอจําเป็นได้ทันทีมียาฉีดชนิดหนึ่งประมาณสองซีซีและยากินอีกชุดหนึ่งที่หลอนได้รับจากคําสั่งของตนเองหลังจากนั้น น้องสาวคนเล็กของราชสกุลวราริสก็ประสานมือวางไว้บนอกดับความรู้สึกทั้งมวลพลอยหลับไปในทันทีมันเป็นยามตะวันบ่ายชายกำลังลับขุนเขาใหญ่ทางด้านตะวันตกที่แลเป็นทิวลิบลิกั้นขอบฟ้าอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีไข้หัวใจเต้นในสภาพค่อนข้างจะปกติ ความดันโลหิตสูงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นน้อยตื่นเต้นเต็เตมที่แต่ใจก็แข็งมากบอยก็พักหลับสักห้าหกชั่วโมงตื่นขึ้นมาเชื่อว่าคงจะเรียบร้อยดีเหมือนเดิมล่ละชา ย, ยันบอกพักพวกเหมือนว่าตนเองจะเป็นหมอเขถาพยักหน้าช้าๆแต่ไม่วายมองดูน้องสาวคนเล็กอย่างเป็นห่วงอนุชาคลี่ผ้าหุยออกคลุมให้ถึงอกแล้วทาสัญญาณให้ทุกคนถอยห่างออกมา พวกเราเองทั้งหมดมันก็ย่ำแย่เต็มทีแล้วล่ะครับเดี๋ยวหวงหากินอาหารเสร็จก็เห็นจะต้องพักเหมือนกันเพราะวันนี้เราก็หนักกันมาโดยไม่มีโอกาสได้พักเลยกว่าสิชั่วโมงแล้วผมสังเกตดูละวน้อยก็ไม่เป็นอะไรมากนอกจากอาการที่ดูเหมือนจะช็อกเท่านั้นสภาพร่างกายโดยทั่วไปก็ดูว่าเรียบร้อยดีและไม่มีอะไรสะบักสะบอมนะักพวกเราซะอีสิแย่กันไปหมดทุกคนอะงั้นก็โอเคทุกคนพัก พี่ใหญ่ของคณะออกคำสั่งขยินและพวกลูกหาเริ่มวางปางพักก่อไฟหุงหาทันทีอนุชาและชัยยันขณะนี้ลงนอนแผลรา้าจากครึ่งคืนที่แล้วมาจนกระทั่งใกล้ค่ำของวันนี้ทุกคนเครียดหนะักทั้งกำลังสมองและกำลังกายแต่ก็มีกำลังใจเต็มเปี่ยมที่ได้ตัวดารินกลับคืนมาในสภาพที่ปลอดภัยทุกประการ เชฐาเดินห่างกลุ่มออกมาเล็กน้อยแล้วกวักมือเรียกนานอินเข้ามานี่ลุงลุงแน่ใจไหมว่าไอ้มันไรจะไม่มีโอกาสกลับมาทำริษทำเดชกับพวกเราอีกแล้วเนี่ยแน่นอนในายใหญ่นานอินเอาหัวเป็นประกันครูพรานผู้เฒ่าบอกมาเสียงหนักแน่นยิ้มย่องผ่องใสานาคบาต ท, ที่นาคาเทวีมอบให้นายใหญ่ไว แล้วนายหญิงเป็นคนเวียงเข้าใสมันจะทำลายล้างอิทธิฤทธิ์ของไอ้ผีมีอาคมกล้านั่นหมดสิ้นไม่มีเหลือมันจะหวนกลับมาไม่ได้อีกแล้วตลอดไปต่อไปนี้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาตามนายระพินได้โดยไม่มีอะไรมาคอยสกัดขัดขวางอีกไม่มีใครปราบมันไรได้นอกจากนายหญิงคนเดียวเท่านั้นทพพร เ, ร, าารเจ้าอรหันตเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายช่วยนายหญิงไว้ทุกด้านเพียงแค่รอกําหนดเวลาเท่านั้นราตรีนั้นจึงเป็นราตรีแห่งความสงบราบคาบที่สุดอีกราตรีหนึ่งดารินวราริศหลับสนิทอย่างอบอุ่นและปลอดภยัยท่ามกลางพี่น้องเพื่อนและบริวารของหล่อน ซึ่งได้มารวมกลุ่มร่วมคณะกันอย่างครบถ้วนอีกครั้งณนะที่พักแรมชั่วคราวอันเป็นซอกตอีนเขาตำแหน่งไม่ห่างจากบริเวณที่หลอนและคณะรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดเมื่อยามบ่ายที่ผ่านมาไม่มีวี่แววหรือเงื้อมเงาของภัยลี้ลับใดๆที่จะแพ้วผ่านกลายกล้ำเข้ามาเลยแม้แต่น้อยขณะจิตหนึ่งในห้วงนิทรา จตสิกของหล่อนแววสำเนียงลำนำเพลงหนึ่งทุ้มต่ำลอยชัดเจนแผ่วเบามาจากปลายเนินอันเป็นบริเวณที่หล่อนได้ถูกพวกพี่ๆช่วยกันดึงตัวขึ้นมาได้นั้นโอ้ใครไหนครวนจวนข้ามพลอดคำหรือเธอครวนใคร เธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งไหนมันเป็นเพลงรักเรียกหาบทเก่าที่เคยได้ยินจากจิตประสาทมาแต่ไหนแต่ไรนั่นเองนับตั้งแต่ได้ข่าวว่ารพินไพรวันจากหล่อนไปแล้วแล้วเสียงนั้นก็เป็นเสียงอันไพเราะราวกาลาเวก ข, ของเจ้าอาดีตองค์ลักรประจาตัว เงส า, ายนั่นเองเงี้ยแเงี้ ย, ยในว่าหลอนได้อุทานเรียกออกไปอย่างนั้นห่างไกลเหลือไกลเกินห่างอ้างวางฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่แห่งใด เธออยู่แห่งใ ด, ด, ดจิตใจไหวหวัน่นเสียงเพลงบทนั้นดังใกล้เข้ามาทุกขณะเหมือนผู้ร้องจะเดินร้องลงมาจากเนินถล่มลูกนั้นฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่แง่ทา ย, า ย, ายไปบอกเขาด้ว ย, ว, ยว่าฉั น, นฉันอยู่นี่นดารินละล่ำละลักออกไป สวดมนต์ส่งพรว่อนฟ้าข อ, อนิตราแน่เธอนิรัน์ฝากหัวใจไฟสัมพันธ์ฝากกันวันฤทยจิตใจขนึงติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวนเธออยู่ไหน เธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาดารินมองเห็นแล้วท่ามกลางแสงสว่างนวลของเดือนแรมร่างสูงรงานในชุดพรานกระเรียงเดินเลาะลัดโขดแก่งแง่หินที่ผุดแซมอยู่ทั่วไปตรงเข้ามายังบริเวณพักนอนของหล่อนแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ทางด้านปลายเทา้า ใบหน้างามราวกระเท พ, พรบุตรของอดีตคนชายชาวดงละไมไปด้วยรอยยิ้มยกมือข้างหนึง่งชี้มาทางหล่อนพร้อมกับร้องเพลงนั้นอีกท่อนหนึง่งมาว่าฝากลมพิ้ ว, พ ร, วพรมโชยผ่านแล้วก็หยุดเว้นระย ะ, ยะกล่าวมาด้วยเสียงพูดนุ่มๆว่า นายหญิงครับต่อสิครับนายหญิงรู้จักเพลงนี่ดีที่สุดอยู่แล้วนี่ครับฝากทานพฤกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่วาทวินหาเธอ ดารินได้ร้องต่อในบทสุดท้ายของเพลงนั้นออกไปอย่างนั้นแง่าสายยิ้มพลายยิ้มจนเห็นฟันขาวเป็นเงาค่อยๆ ย, ย่อนกายลงนั่งบนก้อนหินทางด้านปลายเท้าที่ดารินนอนอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยครับผมถูกต้องเลยครับนายหญิงไม่เพียงแต่นายหญิงเท่านั้นหรอกครับ ที่ยังทวินหาอยู่ในขณะ น, นี้แม้ผู้กองเองก็ยังทวินหานายหญิงอยู่ทุกขณะจิตระพินไพรวันดารินวราริกอัคคณิรุธจิตรางขนาเป็นคู่ที่ทวินหาซึ่งกันและกันอย่างน่าเวทนามาหลายชาติหลายภพเต็มทีแล้วครับเงี้ทายแล้ว แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะจะอยู่ที่ไหนก็ตามล่ะครับแต่ตอนนี้ผู้กองปลอดภัยแล้วครับโดยการเสียสละและยอมเสี่ยงครั้งล่าสุดของหนายหญิงล่ะครับแล้วแล้วฉันเองละ่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนแ ง, ง่ทา ย, า ย, ายก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเช่นกันนะครับนายหญิงเป็นอันว่าหมดสิ้นเคราะกรรมอันมาใหญ่มาหานเลยล่ะครับ แล้วแล้วมันไรล่ะมันไรล่ะแงซายใบหน้าที่พราวไปด้วยรอยยิ้มนั้นสั่นไปมาช้าๆเป็นเชิงปลามอย่าไปเ อ, อ่ยถึงมันอีกเลยครับนายหญิงครั้งนี้นายหญิงทำให้มันต้องพ่ายแพ้พินาศไปอย่างราบคาบแล้วละ่ะจะไม่มีพิษภัยใดๆของราชปุโรหิตเจ้าเล่นต้นนั้นหลงเหลืออยู่อีกแม้เท่ากับผีกริ้น ต่อไปนี้นายหญิงมีหน้าที่อย่างเดียวครับมีหน้าที่อย่างเดียวที่จะติดตามผู้กองให้พบเท่านั้นแล้วคอยสังเกตสัญญาณจากผมนะครับแงสายจะส่งสัญญาณมาเป็นเครื่องนำทางนายหญิงเองเมื่อสิน้นฤทิเด์ของมันไรผลทางจะเริ่มสะดวกปลอดโปร่งขึ้นผมเฝ้ารอคอยเวลานี้อยู่นะครับ เวลาที่นายหญิงจะมีโอกาสกำจัดมันไร ล, ลงให้ได้ซะก่อนลวงอินผู้ถูกต้องครับไม่มีใครปราบมันไรได้นอกจากนายหญิงคนเดียวเท่านั้นแต่นายหญิงจะต้องเสียสละและเอาชีวิตเข้าแลกอย่างกล้าหาญเช่นที่ปฏิบัติมาแล้วครับแต่แต่เงี้ซายฉันต้องการพบเขาโดยเร็วที่สุดนะ ครับนายหญิงผมทราบครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาของมันนะครับต่อให้ในายหญิงจะดิ้นรนตะเกียกตะกายสักขนาดไหนมันก็จะไม่ก่อนเวลาของที่เขากำหนดนะครับเวลาของการประจวบเหมาะพอดีเท่านั้นครับนายหญิงนายฝันดาริงยิ้มทั้งน้ำตา จริงๆนะแง่ทรายจริงๆนะเจ้าหนุ่มโฉมงามในคราบของอดีตคนใช้หัวเราะแผ่วๆครับครับจะเย็นๆสิครับนายหญิงอดทนอดกลั้นเพียรพยายามมาณอุตสาหะต่อไปสิครับแล้วนายหญิงจะไม่มีวันผิดหวังหรอกครับครั้งก่อนๆนายแง่ทรายไม่อาจจะพูดประโยคนี้กับนายหญิงได้แต่ครั้งนี้ รับรองได้เต็มปากเต็มคำครับก็ก็ครั้งก่อนกับครั้งนี้มันต่างกันยังไงล่ะแง่ทรายก็ครั้งก่อนหน้านี่นายหญิงมีเคราะห์ยิ่งใหญ่นักมีมารร้ายตามผชญอยู่จนแม้กระทั่งแง่ทรายปรารถนาที่จะเข้ามาช่วยก็ยังช่วยได้แต่เพียงผิวเผินห่างๆในรอบนอกเท่านั้นไงครับแต่ครั้งนี้มันไม่มีอุปสรรคสาคัญอะไรอีกแล้วนี่ ส่วนควาหนามที่จะบุบบั่นต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาสู้เกิดมาเพื่อผจนกับชีวิตอันยากเข็ญเสี่ยงสารพัดภัยทั้งผู้กองแล้วก็ทั้งนายหญิงนั่นแหละครับนี่นี่เขาจะเฉลียวรู้สักนิดไหมแง่ทรายว่าฉันกําลังติดตามเขามานายหญิงครับมันก็เป็นเพียงแค่กําบังตาบังใจเพียงน้อยนิดเท่านั้นแหละครับแล้ว แล้วถ้าเขารู้เ้าจะต้องหยุดรอฉันหรือสอดแสวงหาร่องรอยเพื่อให้พบฉันให้ได้จริงไหมก็นั่นสิครับนายหญิงแต่เพราะเขาไม่รู้ไงครับแล้วก็จะยังรู้ไม่ได้ด้วยเพราะถึงยังไงแงายเองก็จะฝืนลิขิตบอกเขาไม่ได้ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้ดำเนินไปตามรูปรอยของมันเพื่อให้ทั้งเขาและนายหญิง ชดใช้หนี้กรรมจนหมดสิ้นแต่มันก็คงไม่นานนักแล้วครับเรื่องของกรรมเวรจะตัดให้ยกให้หมดสิ้นไปเลยทีเดียวมันย่อมไม่ได้ละครับมันต้องค่อยๆชดใช้สิ้นสุดกันไปทีละเปราะทีละเปราะตามลำดับครับเอาละเอาละฉันเข้าใจแง่ทา ย, ายแล้วก็เริ่มมีกำลังใจอย่างเต็มที่แล้วเมื่อได้ยินข้อข้อแนะนาจากเธ อ, อยางงี้ ไปไงทายเธอสัญญาแล้วนะว่าจะส่งสัญญาณมาเป็นเครื่องนําหรือชี้ทางให้กับฉันครับนายหญิงผมเรียนได้ไงว่าผมรอโอกาสนี้มานานานับตั้งแต่วาระแรกที่ผมส่งสัญญาณเข้าไปตือนนายหญิงเพื่อให้เกิดสังหรณ์รู้ว่าผู้กองได้พลักจากหนองน้ําแห้งมาแล้วสําหรับคืนนี้ผมแค่มาเยี่ยมเยียนมาแสดงความยิยนดีกับนายหญิง ที่กำจัดไอ้มาร้ร้ลงไปได้ต่อให้นายหญิงไม่ได้เดินป่าติดตามผู้กองมาต่อให้อยู่ในเขตเมืองแดนสิวิไลหากยังกำจัดมันลงไปไม่ได้มันก็จะส่งมนตราอาคมเข้าไปรบกวนเบียดเบียนนายหญิงและผู้กองในรูปแบบอื่นๆไม่มีวันที่จะได้ครองรักร่วมสุขกันได้หรอกครับไงๆก็จะต้องมีเหตุอันเป็นไปต่างๆนาน า, นาทางด้านผิดหวังพลัดพลา ก, ลากฉะนั้นมันก็เป็นการดีมากแล้วล่ะครับ ที่นายหญิงตามผู้กองมาในครั้งนี้และดำเนินการกรบมันและถิ่นเดิมในอดีตของนายหญิงเองนง่าสายขอลาจากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนายหญิงหลับสบายนะครับตล่าวจบร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินผละห่างออกไปแต่ดารินตะโกนร้องเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแง่าสายมีอะไรที่เธอจะแนะนำฉันอีกบ้างไหม ง่ายเอี้ยวคอข้ามไหลตนเองมาทางด้านหล่อนผู้เรียกทักนายหญิงครับสิ่งที่ผมจะเตือนนายหญิงก็มีแต่เพียงว่าจงเก็บเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตการของนายหญิงเองไว้รวมทั้งภาพเหตุการณ์ที่นายหญิงได้พบได้รู้เห็นอันผู้อื่นจะรับฟังแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นมากมายไม่รู้จบเก็บไว้ที่ตนเองให้มิดชิดที่สุด อย่าได้แพร่งพลายให้ผู้ใดได้รู้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในายใหญ่นายกลางหรือนายทหารชัยยันอยากก่อให้เกิดเป็นปัญหาหรือคําถามมากมายอันจะเป็นข้อยุ่งยากเกินจําเป็นที่นายหญิงจะอธิบายได้ครับนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่แง่สายจะแนะนําครั บ, ร บ, รบแล้วภาพของแง่าสายก็เริ่มพร่าจางออก ด้วยการเคลื่อนไกลหายไปในรัติการอันดำมืดนั้นดารินตื่นลืมตาขึ้นอีกครั้งหล่อนพบตนเองนอนอยู่ใจกลางขนาบของพี่ชายสองคนขวามือคือเชษฐาซ้ายมือคืออนุชาห่างออกไปทั้งสองด้านคือนันอินและชยยันบรรยากาศกลางดึก หนาวเยือกจับใจกองไฟก่อสุมอยู่ทางด้านปลายเท้าหนึ่งกองทางด้านศรีรษะอีกหนึ่งกองส่งเปลวสว่างอยู่พรมแพลมดูเหมือนจะเป็นนายชวนหัวหน้าลูกหาบซึ่งอาจจะอยู่เวรยามคอยเฝ้ากองไฟผลัดที่เท่าไหร่ไม่ทราบได้นั่งห่มผ้าผวยหันหลังให้อยู่ที่กองไฟด้านปลายเทา้าราชสกุลสาวได้รับการพักผ่อนนอนหลับมาเพียงพอแล้ว นับตั้งแต่พลอยหลับอย่างสลบสลายไปแต่ตอนบ่ายจัดที่ผ่านมาบัดนี้อาการอ่อนเพลียของหลอนหายไปหมดสิน้นราวไพรรอบด้านอันเต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าต้นไม้ที่แวดล้อมอยู่ยังดำสนิบและเงียบสนัดหลอนค่อยๆขยับตัวออกไปทางด้านบนเพื่อไม่ให้พี่ชายทั้งสองที่กำลังหลับสนิทรู้สึกตัวพอพ้นออกมาได้ก็หันไปรื้อค้นสัมภาระส่วนตัว ที่สุมกองรวมกันอยู่คว้าได้แจ็กเก็ตหนังมาสวมคลุมกายไว้แล้วเดินย่องอ้อมทางด้านศีรษะของพักพวกทุกคนตรงเข้าไปที่กองไฟด้านซึ่งหัวหน้าลูกหาบนั่งสับบางงกอยู่เสียงฝีเท้าของหล่อนจะแผ่วเบาสักเพียงใดก็ตามนายชวนก็ยังสำเนียกได้หันกลับมาโดยเร็วพอมองเห็นก็อุทานนายหญิง ด้าดินเอามือแตะริมฝีปากเชิงเตือนไม่ให้ส่งเสียงเอะอะแล้วเคลื่อนเข้ามาจนชิดวางมือลงบนไหลหัวหน้าลูกหาบยิ้มให้ฉันนอนหลับสบายไปหลายชั่วโมงแล้วล่ะนายชวนไปนอนักเธอไปฉันจะนั่งสูงไฟและเป็นยามแทนให้เองขณะที่กล่าวอ่อนโยนหล่อนก็ซุดกายลงนั่งบนขอนไม้หยิบเศษกิ่งไม้โยนเข้าไปในกอง เพื่อให้มันลุกสว่างเพิ่มขึ้นหัวหน้าลูกหาอึกๆอักอักอกมองดูหล่อนอย่างประหลาดใจใใในายนายหญิงสบายดีแล้วเลยนายชวนถามขึ้นอย่างงงงหล่อนยิ้มให้อีกครั้งเอื้อมมือไปยังกากาแฟที่วางอยู่ริมกองไฟรินใส่ถ้วยพลาสติกยกขึ้นจิบและถือคลึงอยู่ในมือสบายดีที่สุดแล้วล่ะนายชวนไม่ต้องห่วง แล้วก็ขอขอบใจพวกนายชวนทุกคนที่ตามฉันมาจนพบเราคงมีเรื่องคุยกันมากทีเดียวแต่ขอให้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวนี้ฉันต้องการให้นายชวนไปนอนเสก่อนปากรมสะบักสะบอมกันมามากแล้วไม่ใช่เหรอและนี่ยังจะต้องมานั่งผลัดเวนเฝ้ายามกันอีกความจริงสําหรับคืนนี้ฉันคิดว่าพวกเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่เวนอะไรกันอีกแล้วละ่ะทุกคนควรจะพักนอนให้เต็มอิ่มเฉพาะที่นี่คืนนี้ มันจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่มีไอผีดิบหรือขโขลงช้างผีลงมาก่อกวน ร, รังควานเราอีกแล้วไปที่ไปนอนจะในชวนอันแล้วแล้วนายหญิงล่ะครับรอนพยายามตบตามกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ได้บุหรี่ที่ใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อด้านบนมาครึ่งซองควักออกมาคาบไว้ต่อด้วยกิ่งไม้เล็กๆที่ติดอยู่ในกองไฟ ฉันอยากจะนั่งผิงไฟตรงนี้สักหน่อยน่ะนอนมาเต็มอิ่มแล้วนายหญิงบอกแล้วตบที่ต้นแขนหัวหน้าลูกหาเป็นเชิงเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่งอีกครั้งนายชวนก็ได้แต่ขยับตัวแต่ยังไม่ยอมลุกขึ้นจ้องหน้ารอนดารินเห็นอาการมองอย่างพินิษเช่นนั้นก็หัวเราะเบาๆถามมาอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมหน้าตาฉันไม่เหมือนเดิมหรือไงนายชวน รู้สงสัยว่าฉันจะกลายเป็นพวกผีดิบพวกนั้นไปแล้วกระามาังไหนพอจะมีสเสบียงกลางอะไรรองท้องอีกไหมนอกจากกาแฟเนี่ยชักจะหิวแล้วสิว่าแล้วหล่อนก็ชะง้กขึ้นดูเนื้อย่างเสียบอยู่กับไม้ท่อนใหญ่ที่วางพาดอยู่สูงแบบรมควันเหนือกองไฟและชักมีดข้างเอวออกมาจากฝากักชะโงกเอื้อมมือไปแล่ออกมาชิ้นหนึ่งหัวหน้าลูกหารบรีบกระวีกระวาดไปหยิบเครื่องกระป๋องอันเป็นซุป นำมาเปิดแล้วอุ่นไฟให้หลอนทันทีขณะนั้นเองทางบริเวณพักนอนของพี่พีเชษฐาก็ขยับตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมทั้งสกิบที่แขนอดีตพรานชดกระช ย, ยันปลุกให้ตื่นขึ้นพี่ชายทั้งสองและเพื่อนชายอีกคนหนึ่งซึ่งรอโอกาสอยู่ก่อนแล้วนับตั้งแต่ได้ตัวน้องสาวคนเล็กกลับคืนมาโดยปล่อยให้พักผ่อนทั้งทา ง, ทงร่างกายและจิตใจจนแน่ใจว่าพอจะพูดกันได้รู้เรื่อง ได้พากันลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินตรงมายัางดารินวราฤทธิ์พร้อมกันหมดทั้งชุดขณะนั้นมันเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วทั้งเชษฐาอนุชาและชัยยันต่างก็พักนอนหลับกันไปตั้งแต่หัวค่ำอันช่วยให้กัปรี่กระเปล่ามีกำลังขึ้นด้วยเช่นกันดารินได้ยินเสียงฝีเท้าของบุคคลทั้งสามจึงเอี้ยวตัวมามอง พอเห็นพี่ๆกับเพื่อนชายเคลื่อนเข้ามารายล้อมอยู่รอบตัวก็ยิ้มให้กับทุกคนแต่ยังไม่เอ่ยอะไรขึ้นก่อนทั้งสิ้นทั้งเชษฐาอนุชาและชยยันต่างหย่อนกายลงนั่งริมกองไฟใกล้ๆสายตาสามคู่จับนิ่งมายังหล่อนเป็นตาเดียวด้วยอาการของแววค้นหาสำรวจอย่างพินิดเป็นไงน้อยปกติเรียบร้อยดีแล้วเหรอ ถึงได้ลุกขึ้นมานั่งอยู่คนเดียวในเวลานี้่ผู้เอ่ยขึ้นอย่างปราณีเป็นคนแรกคือพี่ชายใหญ่ขณะที่โอบแขนกอดน้องสาวเล็กไว้เบาๆดารินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นด้วยพลังใจที่กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้วมองหน้าทั้งสมที่เข้ามานั่งล้อมหลอนอยู่ไปทีละคนแล้วเอ่ยขึ้นช้าๆชัดถ้อยชัดคําด้วยเสียงใสกังวาน น้อยภูมิใจในพี่ใหญ่พี่กลางช ย, ยันและก็พวกเราทุกคนคะ่ะภูมิใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในความสามารถที่ติดตามค้นหาน้อยมาจนพบช่วยเหลือน้อยไว้ได้ทันการในนาทีของความเป็นความตายจนกระทั่งเราได้มาเห็นหน้ากันอีกครั้งทุกคนมีฝีมืออย่างแท้จริงคะ่ะเออแต่ก็แทบจะกระอั ก, กันออกมาเป็นเลือดทุกคนนแ่แหละ ในการติดตามค้นหาตัวน้อยในครั้งนี้อนอุชาเ อ, อ่อยขึ้นมาเสียงเห้าๆหันไปหยิบถ้วยกาแฟรินจาักกาจ่ายให้เชษฐาและชยันรวมทั้งตนเองด้วยแต่เธอยังไม่ได้ตอบพวกเราเลยนะว่าเธอสบายดีแล้วโดยเฉพาะที่นี่อดีตพรานชดเคาะไปที่ขมับของตนเองที่สมอง ที่ความทรงจำที่สภาวะทางระบบประสาทแล้วก็ที่จิตใจไงหญิงสาวรู้ตัวได้ดีว่าเวลาแห่งการถูกสอบสวนหรือซักถามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยคณะพี่ชายอันเป็นฝ่ายติดตามหล่อนมาและหล่อนก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วว่าอะไรที่ควรจะเปิดเผยได้และอะไรที่ควรจะละเว้นซะโดยไม่จาเป็นต้องกล่าวถึง เงาสายที่เข้ามาพบหล่อนในความฝันได้เตือนหล่อนไว้ถูกต้องแล้วถ้าหากเล่าความจริงไปทั้งหมดอีก7วัน7คืนหล่อนก็ไม่สามารถที่จะยุติการกซักไซไล่เลียงของกลุ่มพี่ๆไปได้และสรรพปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งหลายๆปัญหาก็เป็นสิ่งที่หล่อนไม่อยู่ในฐานะจะอธิบายให้ทุกคนทราบได้จากเหตุการณ์ข้อเท็จจริงทั้งหลายที่ผ่านเผชิญมาตามลําพังคนเดียว ขณะนี้เดี๋ยวนี้น้อยเป็นปกติดีแล้วทุกอย่างคะ่ะขอให้ทุกคนวางใจได้หรือใครเห็นว่าน้อยมีอะไรผิดปกติแผลเพี้ยนไปยังไงทั้งอากับกิริยาท่าทีก็ขอให้ทักทวงหรือจะตรวจสอบก็ได้นะคะในหน้าต า, ท, าท่าทีกิริยาอาการมันก็เหมือนน้อยคนเดิมนั่นแหละแต่ฉันดูตาเธอมันไม่มีแววเลยมันแข็งแข็งทื่อๆยังไงพิคน ชั ย, ยันเอ่ยขึ้นหน้าตาเฉยแต่หางเสียงเป็นการสับพยอซะมากกว่าอย่าบ้านะชั ย, ยันที่เห็นฉันเป็นพวกผีดิบหมื่นแสนปีพวกนั้นไปซะแล้วหรือไงหล่อนร้องขึ้นเบาๆพี่ชายเพื่อนชายหัวเราะแล้วพยักหน้าเออไหนลองเล่าให้ฟังดิมันไปยังไงไมายังไงไอ้นับตั้งแต่กระแสน้าจากภูเขามันโกรกลงมาซัดตัวเธอหายวับไปกระตาในคืนนั้น่ะ พวกเรารู้ว่าถึงยังไงเธอก็ยังไม่ตายหรอกแต่เดาไม่ถูกเท่านั้นแหละว่าเราจะต้องยากลําบากสักแค่ไหนในการติดตามหาเธอจนพบและจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่อ ม, มันก็ถือว่าโชคดีพอสมควรที่แม้จะลําบากยากเข็นสักแค่ไหนมันก็ไม่ถึงกระเสียเวลามากมายเกินไปนักดารินจุดบุหรี่อีกตัวหนึ่งช้าชา เรื่มรู้สึกลำบากใจที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้พวกพี่ฟีได้ฟังอธิบายฉันเข้าใจก่อนไม่ดีกว่าเหรอว่าทุกคนตามฉันมาถูกได้ยังไงจนกระทั่งสามารถระเบิดช่องทางด้านบนของภูเขาลงไปช่วยได้ทันน่ะนี่น้อยทั้งฝ่ายพี่พี่นี่จะยังไม่บอกอะไรน้อยก่อนทั้งสิ้นนะจนกว่าน้อยจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดทั้งหมด นับตั้งแต่น้อยได้สูญหายจากพวกเราไปเพราะมันเต็มไปได้วยความลึกลับและปริศนาเหลือเกินในกรณีที่พวกเราค้นพบว่าน้อยยอมไปกระช้างผีสิงของไอ้มันได้แล้วก็ยอมให้มันนำเข้าไปสู่อาณาจักรร้างใต้ภูเขาที่มีเท่าลาว่าปกคลุมไว้ข้างบนสรุปง่ายๆก็คือยอมตัวตกเป็นเฉลยของมันชนิดที่ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างสุดจะมันจะชักจูงไปมันเป็นยังไง เชิฐากล่าวขึ้นเสียงเคร่งขึนขณะที่จ้องตาหล่อนขม็งเอาละค่ะน้อยจะเล่าให้ฟังในที่สุดดารินก็เอ่อยขึ้นอย่างระมัดระวงังโดยพยายามไม่ให้มีข้อความใดขัดหรือค้านกันเองก่อให้เกิดพิรุธขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้สติกลับคืนมาโดยพบตนเองค้างติดอยู่บนกระเช้าเถาวันใหญ่ กลางลำต้นของพญาไม้การยิงเสือสมิงก่อนที่จะหาทางหย่อนกายลงมาถึงพื้นการเดินกระเสาะกกระเสิงอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนและพยายามยิงปืนเรียบพักพวกไปทุกระยะจนแน่ใจว่าการยิงปืนเพื่อเป็นสัญญาณให้ได้ยินเสียงนั้นมีแต่จะเปลืองกระสุนเปล่าจึงยุติการมาพบแอ่งน้ําป่ากล้วยอันช่วยประทังชีวิต การขึ้นมาพักอาศัยหลับนอนในป่าหินและตกดึกก็เผชิญหน้ากระจอมผีดิบมันตรซึ่งเข้ามาเจราจากับหลอนส่วนรายละเอียดของการสนทนาที่เกี่ยวโยงไปถึงอดีตชาติของหลอนดาวินละละเว้นซะไม่นำมาบอกเล่าใดๆทั้งสิ้นคงบอกเพียงแต่ว่ามันไรมีข้อแลกเปลี่ยนว่าหากยินยอมไปกับมันมันก็จะละเวน้น ไม่ทาราวีก่อกรรมทาเข็นกับคณะของรพินและคณะของพี่ๆของหลอนอีกต่อไปโดยให้สัตย์สัญญาแลกเปลี่ยนกันไว้ดารินให้เหตุผลว่าหลอนไม่มีทางเลือกในภาวะเช่นนั้นเมื่อได้สัญญาจากมันไรว่าจะยุติการจองล้างจองผลานราพินและฝ่ายของหลอนก็จำใจต้องตกปากรับคำกำมันว่าจะยินยอมเสียสละตนเองไปกำมันทุกขนทุกแห่ง โดยหวังไว้ว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอิทธิฤทธิ์ของมันไรส่วนตนเองนั้นก็จะขอแก้ไขเหตุการณ์เอาภายหน้าจากการเชื่อมั่นว่าถึงยังไงซะมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาแต่ต้องตัวหล่อนได้ตราบใดที่อำนาจพระพุทธคุณยังคุ้มครองอยู่มันจะให้หล่อนไปกับมันที่ไหนก็พร้อมที่จะไปโดยไม่ขัดขืนโดยกําหนดไว้ในใจตลอดเวลาว่าเมื่อวิบัติภัยจะมาถึงตัวหล่อนเมื่อใด ก็จ ะ, ะเผชิญหน้าแบบสู้ตายโดยไม่ได้วันเกรงใดๆทั้งสิ้นเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้พวกพี่ๆหันมามองตากันเองเพราะจากร่องรอยหลักฐานการติดตามมาในระยะต้นมันสอดคล้องตรงกันทุกประการเออแล้วมันบอกน้อยหรือเปล่าว่ามันจะเอาน้อยไปไหนไปเพื่ออะไรเฉดฐายิงคำถามมาทันที ดารินเบียงคําตอบไปตามที่กําหนดไว้แล้วว่ามันก็บอกแต่เพียงว่าจะเชิญให้น้อยไปเห็นนาณาจักรดั้งเดิมแท้จริงของนิทรานครให้ได้ไปเห็นความมหัศจรรย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพราะในครั้งก่อนที่เราได้ผ่านไปพบในบางส่วนน่ะมันเป็นแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นความเรืองรองแห่งนิทรานครแท้จริงยังถูกซ่อนเร้นลับอยู่ในที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดค้นพบมานับแสนปีแล้วอ่ะ ตลอดเวลาแห่งการเล่าความของหล่อนอนุชาไม่เอ่ยซักคำใดทั้งสิ้นนั่งลูบคางจับตามองน้องสาวขมิงเหมือนจะค้นหาร่องรอยอะไรบางอย่างคงปล่อยหน้าที่การซักให้เป็นของเชิฐาและชยันเออแล้วมันเพื่ออะไรกันมันบอกหรือเปล่าน้อยว่ามันอยากจะได้เธอไปทำแฟนอยู่ในเมืองร้างใต้ภูเขานั่นชยยันถามขึ้น มันก็ไม่ได้บอกอะไรหรอกบอกแต่เพียงว่าต้องการตัวฉันให้เข้าไปสู่อาณาจักรนั้นเท่านั้นแหละเอ้าแล้วเธอก็ไปกับมันไปทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันคือไอ้ผีดิบพ่อมดร้ายอันตรายขีดสุดงั้นเหรอแล้วเธอคิดว่าฉันมีทางเลือกอย่างอื่นอีกเหรอชยันในเมื่อฉันเผชิญหน้ากับมันตามลาพังคนเดียวขณะที่หลงป่าตเตลิดเปิดเบิงอย่างไรจุดหมายไร้ที่พึ่ง และนั่นก็ยังไม่สําคัญเท่ากับว่ามันขู่มันขู่ว่าถ้าฉันขัดขืนมันอ่ะทั้งฝ่ายระพินแล้วก็ฝ่ายเราจะถูกมันแผลงฤทธิ์เล่นงานให้เต็มที่ทีเดียวมันบอกว่าทุกคนของทั้งสองฝ่ายได้ถล่มเข้ามาในกับดักของมันแล้วฉันก็เลยคิดว่าฉันยอมเสี่ยงเป็นคนเดียวดีกว่านี่อย่าเพิ่งขัดพี่ชายใหญ่ของคณะโบกมือห้ามชัยยันแล้วพยักหน้าเตือนให้หล่อนเล่าต่อ ความจริงบางส่วนก็ถูกเปิดเผยต่อไปตามข้อสัญญาตอนรุ่งสางมันไรได้ส่งช้างอันมีงาสีดำสนิทเข้ามาทำหน้าที่เป็นพาหณนะรับตัวหล่อนไปดารินเล่าต่อหล่อนเล่าต่ออีกว่าหล่อนขึ้นนั่งบนคอช้างใหญ่ตัวนั้นมีช้างติดตามคุ้มกันมาด้วยอีกสองตัวบ่ายหน้าตัดดงไปเรื่อยๆตลอดเส้นทาง หล่อนก็ได้พยายามทำสัญญาณตำหนิไว้ตามกิ่งและต้นไม้ที่ผ่านเพื่อว่าพักพวกอาจจะตามมาพบเข้าจะได้ติดตามถูกพอขําได้พักนอนมีเผือกมันเป็นสเสบียงอาหารจัดไว้ให้พร้อมเช้ารุ่งขึ้นอีกวันก็เดินทางต่อหนทางเป็นแผ่นดินที่ถล่มต่ำลงไปตามลำดับจากการสังเกตของหล่อนเองคําบอกเล่าของดารินตามนี้ไม่มีอะไรขัดค้านกัน กับฝ่ายของพี่ชายที่ติดตามร่องรอยมาตลอดเพราะฝ่ายของเชษฐาค้นพบได้ทุกระยะตรงกันหมดทุกอย่างจนกระทั่งในที่สุดช้างทั้งสามตัวก็ได้นำหล่อนลอดเข้าไปใต้น้ำตกระดับล่างของหน้าผาใหญ่บริเวณที่มีกาแพงภูเขาสูงกั้นไว้รอบด้านหล่อนก็เลยได้เข้าไปพบกระดินแดนประหลาดเข้าแห่งหนึ่ง ภายหลังเมื่อช้างพาหนะที่มันไรใช้ให้มารับนั่นนาลอดช่องน้ําตกเข้าไปค่ะต่อจากนั้นน้อยก็ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยเมื่อคนถูกวางยาสลบเลยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนได้ยินเสียงระเบิดอยู่เหนือศีรษะและได้ยินเสียงร้องตะโกนให้สติลงมาของพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ลุงอิน ดารินสรุปข้อความในตอนท้ายเป็นการตัดปัญหาลงเพียงแค่นั้น